วิญญาณอัคารนั่นเองไม่ใช่เป็นวิญญาณที่เรียกกันว่าวิญญาณไปเกิดเป็นต้นนั้นแต่หมายถึงความรู้ในขณะที่อาจรณะภายในภายนอกประยวบกัน ก็เกิดความรู้ขึ้นคือการเห็นการได้ยินการได้ทราบการได้คิดได้รู้ดังกล่าวแล้วนั่นเองเป็นวิญญาณขันแล้วก็เป็นสัมผัสคือกระทบถึงใจแล้วจึงเป็นเวทนาแล้วก็เป็นสัญญาแล้วก็เป็นสังขารคือคิดเปิงหรือปรุ ง, รปปรงคิดแล้วก็เป็นวิญญาณขึ้นมาอีกดังนี้ เป็นเรื่องของขันกิเลสก็อาศัยขันเหล่านี้เองมันเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่ากายปรุงเวทนาและเพราะเวทนานี้เป็นปัจจัยก็เกิดกิเลสและกิเลสนั่นที่ดำเนินไปได้ ก็อาศัยสัญญาคือจำได้อาศัยสังขารคือปรุงคิดคิดหรือคิดปรุงแล้วก็เป็นวิญญาณคือรู้ขึ้นอีกนั่นเองกิเลส ก, ก็อาศัยขันนี่แหละมังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็หัดจับพิจารณาให้รู้ขันก่อน ให้รู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณขันห้าตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็หัดจับพิจารณาให้รู้จักว่าความที่ขันบังเกิดขึ้นเป็นกระแสความเป็นไปของกายและจิตอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็โดยอายตนะภายในอายตนะภายนอกนี่แหละของทุกๆคนที่ปฏิบัติงานอยู่ซึ่งตัวอายตนะภายในภายนอกนั้นก็คือตัวรูปประขันที่ปฏิบัติงานอยู่คือในเกิดเวทนา แล้วก็เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณตามลำดับที่ท่านพิจารณาแต่ว่าตามลำดับเกิดนั้นวิญญาณเกิดก่อนคือขันอันหมายถึงว่าอาจิตระณะภายในภายนอกประจบกันก็เป็นวิญญาณขึ้นมาก่อนแล้วเป็นสัมผัสแล้วก็เป็นเวทนา เป็นสัญญาเป็นสังขารเรเป็นบิญญาณขึ้นอีกนี่เป็นกระบวนของขันลําพังกระบวนของขันนี่เป็นกลางๆไม่มีไม่ใช่ดีไม่ใช่ชั่วไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลแต่ว่าเมื่อกิเลสอาศัยขันมันเกิดขึ้นตัวกิเลสนั้นเป็นตัวอกุศลแล้วมาเชื่อมไปตรงเวทนานี้เอง เมื่อขันห้าดำเนินไปถึงขั้นเวทนากิเลสก็มาต่อขึ้นตรงเวทนานี่เองอาศัยขันเกิดขึ้นเป็นไปและกิเลสที่เป็นไปนี่ มีสัญญชน์คือความผูกนี่แหละบังเกิดขึ้นก่อนดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างตน้นแต่ว่าในขั้นแสดงกระบวนของกิเลสที่อาศัยขันบังเกิดขึ้นนั้นท่านไม่ได้กล่าวถึงสัญญชน์ไว้เหมือนดังที่มันได้กล่าวสัมผัสเอาไว้ก่อนเวทนาในขันห้าแต่ว่าในการแสดงอย่างละเอียดแล้ว จะต้องมีสัมผัสบังเกิดขึ้นก่อนเวทนาในขันห้าขันใดก็ดีจะต้องมีสัญญชต์บังเกิดขึ้นก่อนจึงจะบังเกิดกิเลสตัณหาก็ดีราคะหรือโทสะโมหก็ดีดังที่เด็กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นขัดกำหนดพิจารณาจับดังนี้ก่อนก็จะได้สติ เป็นกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนากิตตานุปัสสนาธรรม า, านุปัสสนาซึ่งตัวสติที่กำหนดจับนี้เองกับพร้อมทั้งปัญญาที่อย่างรู้ก็จะเป็นฝ่ายกุศลละธรรมเมื่อสติแรงขึ้นปัญญาแรงขึ้นขันก็จะไม่เป็นที่อาศัยบังเกิดกิเลสหรือบดน้อยเข้าดับง่ายเข้า เมื่ออาจตนาภายน่าภายในซึ่งเป็นตัวรูปประคันปฏิบัติงานก็จะต้องเกิดเวทนาแต่เมื่อมีสติคอยกำหนดอยู่แล้วเวทนาก็จะไม่เป็นปัจจัยต่อกิเลสเข้ามาเพราะเหตุว่าจะไม่มีสัญญยคือความผูกด้วยเหตุ้องมีสติกำหนดรู้เท่าทันอยู่ แต่ว่าการปฏิบัติต่างนี้ต้องหัดมือก็จะสามารถป้องกันกิเลสไม่ให้บังเกิดขึ้นได้หรือบังเกิดขึ้นแล้วก็ระงับลงได้โดยง่ายต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทาความสงบสืบ ต, ต่อไปบัตหนีจักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม ในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆ ท, ท่านตั้งใจนอ บ, น, อบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอารรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจ ถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีรรมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐาน ในอัฏฐะคือความหมายว่าตั้งสติอันเป็นการปฏิบัติตั้งสติย่อมเป็นอุปการะในที่ทั้งปวงจึงได้มีพุทธศาสนาสุภาษิต วัตติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงในทางปฏิบัติตั้งสติที่กำหนดอาจตนะภายใน อายาจักภายนอกซึ่งประจวบกันอยู่อยู่ทุกขณะย่อมมีอุปการะมากทำให้บังเกิด เป็นอินทรียสังวรเป็นสติปัฏฐานเป็นต้นและทำให้จับสั ญ, ญยชน์คือความผูกที่บังเกิดขึ้น อันเป็นเบื้องต้นของตัณหาหรือราคะโทสะโมหะดังที่เรียกวันีวอนของจิตใจและสามารถที่จะ จับพิจารณาให้รู้จักปัจจุบันขันคือขันห้าที่เป็นปัจจุบันโูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสามารถที่จะจับ ความเป็นไปของอายตะนะภายในภายนอกที่ประจวบกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วซึ่งล้วนเป็นการปฏิบัติในสติปัฏฐานตั้งสติ และการปฏิบัติตั้งสติดังกล่าวนี้ปฏิบัติได้ในทุกขณะจะทำให้มีสติรักษาจิตรักษาตน อยู่ทุกขณะไม่เผลิสติฉะนั้นการปฏิบัติตั้งสติซึ่งเป็นสติปัฏฐานนี้จึงไม่ได้หมายความปฏิบัติในขณะที่นั่งปฏิบัติ ดังที่เรียกกันว่านั่งสมาธิเช่นนั่งหลับตาทำสมาธิหรือลืมตาทำสมาธิก็ตามไม่ใช่หมายความว่าจะพึงปฏิบัติ ในขณะนั้นเท่านั้นแต่ว่าพึงปฏิบัติตั้งสติได้ในที่ทั้งปวงในเวลาทั้งปวงคือทุกขณะที่ทำงานอยู่ เดินอยู่นอนอยู่นั่งอยู่ยืนอยู่คือทุกๆขณะอันหมายความว่าตั้งสติอยู่ที่ตาที่หูที่จ ม, มกูกที่ลิ้นที่กายที่ใจ หรือโดยตรงก็คือที่ใจนี้เองมีสติคุมอยู่ในขณะที่เห็นรูปอะไรก็ตามอะไรก็ตามได้ทราบกลิ่นทราบรสทราบผลภาะอะไรก็ตาม ได้คิดรู้เรื่องราวอะไรก็ตามก็มีสติกำหนดอยู่และมีความรู้อยู่ในขณะที่ เห็นอะไรได้ยินอะไรเป็นต้นนั้นอันเป็นความรู้ตัวซึ่งท่านแยกเรียกว่าสติระลึกได้สัมปชัญญารู้ตัวหรือว่าไม่แยกเรียกเรียกวสติคำเดียว แต่ก็หมายความว่าจะต้องมีสัมปัญญะคือรู้ตัวรวมอยู่ด้วยสติจึงจะตั้งถ้าไม่รู้ตัวสติก็ไม่ตั้งอยู่ที่ตัวเมื่อรู้ตัวสติจึงตั้งอยู่ที่ตัวหรือว่า เมื่อสติตั้งอยู่ที่ตัวก็รู้ตัวถ้าสติไม่ตั้งอยู่ที่ตัวก็ไม่รู้ตัวจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันรู้ตัวก็คือมีสติตั้งดังจะเพิ่งเห็นได้ว่า ตัวเรากำลังทำอะไรอยู่เช่นว่ากำลังเดินอยู่แต่ว่าสติไม่ตั้งอยู่ที่ตัวก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเดินข้อนี้สังเกตดูที่ ตัวเองก็จะรู้ได้ว่าบางคราวนั่นกำลังเดินอยู่แต่ว่าไม่รู้ตัวว่าเรากำลังเดินอยู่เพราะเหตุว่าส่งใจไปคิดเรื่องอะไรต่ออะไรอื่น ก็แปลว่าใจนั้นส่งไปในที่อื่นอันที่จริงใจที่ส่งไปที่อื่นนั้นก็เป็นสติเหมือนกันคือเป็นความระลึกไปนึกไปคิดไปในเรื่องอื่นๆนั่นแต่ว่าเป็นสตินอกเรื่องที่ต้องการ เรื่องที่ต้องการนั้นต้องการให้มาคิดอยู่ที่การเดินคืออยู่ที่ตัวที่กำลังเดินที่เรียกวันนอกเรื่องหรือในเรื่องนั้นก็คือหมายความว่าสุดแต่ความต้องการปฏิบัติ ต้องการปฏิบัติที่จะทำสติในการเดินก็ต้องให้สติมาอยู่ที่การเดินเว้นไว้แต่ว่า้าไมต้องการสติให้อยู่ที่การเดินต้องการจะคิดในเรื่องอื่นในขณะนั้นก็ส่งใจคิดไปก็แปลว่าความต้องการนั้นต้องการให้คิดไปในเรื่องนั้น ในที่นี้เป็นการแสดงด้านปฏิบัติว่าตรงการให้คิดอยู่ในเรื่องเดินเมื่อสติท่งไปในที่อื่นก็แปลว่าสตินอกเรื่องไม่มากําหนดอยู่ที่การเดินเมื่อเป็นดังนี้สัมปชัญญะก็ไม่มีคือไม่รู้ตัวอยู่ว่าตัวกําลังเดิน ดังนี้ก็คือว่าสตินำสัมปชัญญะอีกอย่างหนึ่งสัมปชัญญะนำสติก็คือว่าเมื่อมีความรู้ตัวอยู่เช่นเดินอยู่ก็รู้ตัวว่าเดินอยู่ดังนี้สติคือความระลึกก็มาอยู่ที่การเดินไม่ไปที่อื่น ดังนี้เรียกว่าสัมปชัญญะนาสติสตินำสัมปชัญญะรัชัญญะนำสตินี่เป็นเรื่องที่พูดเท่านั้นแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นต้องอยู่ด้วยกันนั่นเองยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่ง เมื่อทำอาณาปานสติกำหนดลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็ ร, รู้ตรงไหนเป็นสติตรงไหนเป็นสัมปชัญญะ ตรงที่รู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกนี่รู้ตัวเป็นสัมะชัญญาตรงที่ระลึกกำหนดอยู่ ในการให้ใจเข้าในการให้ใจออกนี่เป็นตัวสติหากจะแสดงโดยฐานะที่สตินำก็แสดงว่าต้องมีความระลึกกำหนดคือจิตต้องกำหนดอยู่ ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกอาการที่จิตกำหนดอยู่นี้คือตัวสติแล้วเมื่อจิตกำหนดอยู่ดังนี้ก็รู้ตัวให้ใจเข้าก็รู้ตัวเราให้ใจเข้าให้ใจออกก็รู้ตัวเราให้ใจออกดังนี้เป็นสัมมชัญญะ เพรานี้หากว่าจะแสดงในฐานะที่สัมปชัญญะนําก็แสดงได้ว่ารู้ตัวหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ตัวเราหายใจเขา้ารู้ตัวเราหายใจออกดังนี้เป็นสัมปชัญญะ และเมื่อมีสัมบัญญญตอยู่ดังนี้ก็คือสติก็ตั้งกำหนดอยู่อาการที่กิดตั้งกำหนดอยู่ดังนี้เป็นสติดังนี้แสดงในฐานะนที่สัมมัญญะนำ คือว่าเมื่อมีความรู้ตัวตั้งอยู่ดังนี้สติก็ต้องตั้งอยู่ด้วยคือตัวที่กำหนดถ้าหากว่ารู้ตัวไม่ตั้งอยู่สติก็ไม่ตั้งอยู่ ดังภูปฏิบัติที่ทำอาณาปานสติเมื่อใจไม่ตั้งอยู่ที่ลมให้ใจมีนิวรณจิตหลุดออกไป ในเรื่องนั่นในเรื่องนี้ดังนี้ก็ย่อมไม่รู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกความรู้ไปตั้งอยู่ในในเรื่องที่จิตวิ่งออกไปนั่น ความรู้ไม่มาตั้งอยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกด้วยฉะนั้นจึงไม่รู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกโดยมากนั้นเมื่อไม่ปฏิบัติจิตย่อมไปตั้งอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ ตัวความรู้ก็ไปตั้งอยู่ในเรื่องนั้นเรื่องนี้วันหนึ่งวันหนึ่งบุคคลจึงไม่ค่อยจะมีความรู้ตัวว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกเพราะว่าจิตไม่ได้ตั้งกาหนดดังนี้เป็นการที่แสดงให้รู้จักว่า ว่วจิตนั่นเป็นธาตุรูปเป็นวิญญาณธาตุธาตุรู้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เมื่อบุรุษบุคคลนี้มีธาตุหกธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ ซึ่งหมายถึงตัวจิตซึ่งเป็นธาตุรู้ทุกคนจึงสามารถที่จะกำหนดให้รู้จักตัวจิตได้ที่ตัวความรู้ความรู้อยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั้น เมื่อความรู้อยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกจิตก็อยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกฉะนั้นความรู้จะตั้งอยู่ในที่ใดจิตก็ตั้งอยู่ในที่นั้นจึงรู้ได้ว่า จิตตั้งอยู่ที่นี่จิตหยุดตั้งอยู่ที่นั่นด้วยกำหนดให้รูะะ้จักความรู้ความรู้ที่ตั้งอยู่นั้นเมื่อความรู้ตั้งอยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกจิตก็ตั้งอยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกทำไมจึงจะทำให้จิตมาตั้งอยู่ที่ อารมณ์คือเรื่องที่ต้องการได้ก็คือตัวที่ตั้งความกำหนดกำหนดลงไปที่นั่นเมื่อต้องการจะให้จิตจิตตั้งอยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกก็ต้องปฏิบัติทำความกำหนด อยู่ที่ลมให้ใจเข้าอยู่ที่ลมให้ใจออกเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ตั้งอยู่ที่ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกตัวที่ปฏิบัติตั้งความกำหนดลงไปนี่แหละคือกูปฏิบัติตั้งสติแล้วเมื่อจิตตั้ง ก็ย่อมรู้รู้ว่าเราให้ใจเข้ารู้ว่าลมเราให้ใจออกนี่คือตัวสัมชัชญะรู้ตัวคำว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกรู้ว่าเราให้ใจเข้าเราให้ใจออกเรานี่คือตัวรู้ตัวซึ่งเป็นสมมติบัญญัติ ที่พูดรู้เรื่องกันซึ่งในตอนนี้ก็ยังไม่ต้องไปตั้งปัญหาว่าตัวมีหรือหรือไม่มีตัวเป็นตน้นเพราะว่าต้องการที่จะตั้งสติที่จะทำสติและในการที่จะพูดให้รู้เรื่องกันก็ต้องพูดสมมติบัญญัติกันอย่างนี้